อ่านได้อ่านธรรมะของหลวงพ่อชาที่มีคนเขาเอามาโพส์ใน Facebook ฟังแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่ า, าเป็นข้อคิดที่ดีเขาบอกว่าคนที่มีสติ ต, ตลอดเวลายอมจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอคือเมื่อตาเห็นรูปนะรูปนั้นก็เป็นธรรมะ หัวได้ินเสียงเสียงนั้นก็เป็นธรรมะนะคือภาษาทุกอย่างนะมันเป็นธรรมะได้หมดซึ่งก็คงรวมถึงอารมณ์ความสุกนึกคิดที่เกิดขึ้นมาในใจไม่ว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามมันอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นเสียงของครูบาอาจารย์หรือว่า ภาพที่น่าดูน่าพิจารณาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าในสนาพุทธการพระนาสรมท่านได้จาริกเข้ามาในเมืองก็ได้เห็นหญิงสาวสวยงามกำลังฟ้อนรำ ประดับปดาด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามทัดดอกไม้แล้วก็มีเสียงเพลงบรรเลงเราลองนึกภาพนะภาพอย่างนี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่กระตุ้นให้เกิดราคะแต่ว่าท่านนักสมมานนี่ท่านมีสติท่านมองแล้วท่านก็เห็นเลยว่าโอ้นี่มันคือกับดักของมารแท้เลยนะท่านมองแล้วก็เห็นโทษนะของกาม ใจก็หน่ายนะพอหน่ายก็จิตก็หลุดพ้นนะบรรลุ ธ, ธรรมขณะที่ยืนดูนะหญิงสาวกาลังไล่ลาลนั้นเองภาพอย่างนี้เนี่ยบางคนจะมองว่าพระไม่ควรดูนะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นราคานะแต่ว่าจันทท่านนสมาแล้วนี่นะก็เป็นภาพที่ ทำให้เกนะิดความเข้าใจในธรรมะเห็นโทษของกามแล้วก็ปล่อยวางได้ก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้อยู่นะหลายกรณีบางท่านนี้ไปเยี่ยมบ้านนะภรรยาก่าวก็มาว้าวรอนต่อหลังวาววอนไม่สำเร็จก็เล้าโลมนะแต่ว่าพระท่านนะ ก็กลับเห็นเลยว่าโอนี่เห็นชัดเลยในโทษของกลานท่านก็หลุดพ้นในสภาวะเช่นนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อมีสติแล้วนะก็สิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูหรือว่าภาษาที่เกิดขึ้นก็สามารถจะน้อมไปสู่ธรรมหรือพูดยานก็คือว่า สามารถจะเห็นทำได้ในทุกขณะไม่ว่าจะมีภัสสะอะไรมากระทบก็ตามอันนี้ก็ตรงกับที่หลวงปู่มั่นได้เคยพูดไว้เคยมีพระผู้ใหญ่มาถามหลวงปู่มั่นเป็นพระราชลาชาคณาชั้นสมเด็จท่านก็เคยเชื่อว่าคนจะมีความรู้ทางธรรมได้ต้องเรียนสูงต้องเรียนบาลีนักธรรม แต่ลุงปู่มั่นนะเรียนน้อยเอาแต่เดินจาริกเข้าไปในป่าพระราชคณะท่านนี้เคยดูถูกว่าหลวงปู่มั่นจะรู้ธรรมะอะไรนะแต่ตอนหลังก็ได้เข้าใจว่าธรรมะของหลวงปู่มั่นนี่นะลึกซึ้งมากนะซึ่งก็เกิดจากการชัดนำของลูกศิษย์ของอาจารย์มั่นเช่นหลวงปู่ฟันแล้วก็ท่านพอลี ก็เลยเกิดศรัทธาหลวงปู่มัน่นแต่ก็มีความสงสัยในใจว่าหลวงปู่มั่นเอาแต่เดินจาริกทุ ด, ดงในป่าทำไมถึงรู้ธรรมะได้หลวงปู่มั่นก็บอกว่าสําหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกย่อมญ้าทุกย่อมญ้านะมีธรรมะทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าจะมองเป็นหรือเปล่าถ้าเจ้าพุทธทาสก็พูดเหมือนกันนะว่าให้หมันฟังเสียง ต้นไม้พูดมานฟังธรรมะจากก้อนหินบ้างใครมาหาท่านที่สวนโมกท่านก็ให้ไปฟังธรรมะจากธรรมชาตินะท่านถึงพยายามรักษาธรรมชาติเอาไวใ้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะเพราะว่าจะเจ็นโอกาสให้ได้เข้าใจธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาสิ่งที่ได้ยินด้วยหู ตอนนั้น น, ะนั่นแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าเบิกรือลบก็เป็นประโยชน์นะกระทั่งกิเลสก็คือตัณหามา n a นะมันก็เป็นปัจจัยไปสู่ธรรมะได้อย่างลูกชายของท่านนาเดบินติกะเนี่ยนะไม่สนใจธรรมะเลยพอนี่เป็นโสดาบันก็สอนลูกไม่ได้ก็เลยต้องหวังพึ่งพระพุทธเจ้า เลยจ้างนะเลยจ้างให้ลูกไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าลูกก็หวังนะอยากจะได้เงินค่าจ้างก็ไม่คิดแตตั้งใจฟังพ่อกลับมาพ่อถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเพียงแค่หวังว่าจะได้ไปแล้วก็มีค่าจ้างนะต่อหลังพ่อก็เลยบอกว่านี่ต้องกลับมา มาเล่านะว่าได้ฟังธรรมะอะไรบ้างจากพระพุทธเจ้าเขาก็เลยต้องไปเพราะอยากได้เงินเมื่อไปฟังแล้วก็กะว่าฟังประเดียวประดาวพอจําได้สักนิดหน่อยแล้วก็จะไปรายงานพ่อเอาเงินแต่พระุทธเจ้าก็บรรดาลให้ให้แกจําจไม่ได้พนะยยาตั้งพอจําไม่ได้ก็เลยตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะไอ้ที่อยากตั้งใจงฟังนี่เพราะอยากได้เงินนั่นแหละ นะคิดว่าจำได้ทั้งสองสามประโยคพอแล้วแต่ก็ยังจำไม่ได้ตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังมาก ๆ, ๆเข้าจนะีก็เป็นสมาธินะแล้วก็เข้าใจธรรมะที่ผร้จ้าได้แสดงก็เป็นพระสบดาบันได้เลยจากการที่จากคารที่เริ่มต้นจากความที่อยากได้เงินนะอยากได้เงิน แต่ว่ามันก็เป็นแรงผลักดันนะที่ทำให้เกิดความเข้าใจธรรมะได้อันนี้เรียกว่าตัญหาพาให้เข้าให้เข้าถึงธรรมะนะมีบางคนมาบวชพระเพราะว่าเห็นว่าสบายเนื่องจากตัวเป็นคนยากจนนะเห็นพระมีข้าวกินวันละมื้อก็ยังดีนะดีว่าไปขอทาน ขอทานลำบากมากมาบวชแล้วนะก็ยังเสียดายผ้าผ่อนเสื้อผ้าก็อาแขวนไว้ในป่าเพราะคิดว่าไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่านะบวชพระเนี่ยแต่ไงก็มาหาข้าวกินก่อนมาบวชพระแล้วก็ได้มีข้าวกินนะแต่ว่ามีวิณัยมี ขอบังคับหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยอยากจะศึกหาลาเพศไปพอเดินเข้าไปที่ป่าไปยังต้นไม้ที่ตัวเองอผูกแขวนเสื้อผ้าไว้กะว่าจะเปลี่ยนจีวรเอาเสื้อผ้านั่นแหละมาใส่พอเห็นเสื้อผ้าที่เก่าคล่าคร่ารุงริ่งก็นึกถึงวันคืนที่ลาบาก เมื่อเป็นยาจบเข็นใจเป็นขอทานก็เลยทะเลาทก ก, ก็เลยเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วไม่อยากลำบากนะมาบวชต่อดีกว่านะทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งเพื่อนพระถามว่าเข้าไปในป่าทําอะไรแกก็บอกว่าไปหาอาจารย์นะแต่ว่าทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนถึงจุดหนึ่งนะใจกคค็ค่อยค่อยน้อมค่อยๆเลื่อมใสในพระธรรม และในสือก็เข้าใจธรรมะนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คราวนี้เพื่อนก็เลยมีเพื่อนพ้าก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ท่านไม่ไปหาอาจารย์ในป่าแล้วเหรอะท่านก็ตอบว่าไม่ไม่ละเราไม่ต้องการอาจารย์ละเพื่อนก็เข้าใจว่าท่านปวดอุตริมสธรรมนะปวดอ้างว่าตัวเองรู้ธรรมก็เลยไปทูลผู้เจ้าผู้เจ้าก็เรียกมาสอบถาม จริงผู้จ้า ก, ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านผู้นี้ได้บรรลุธรรมแล้วะแต่ว่าต้องการที่จะพูดเพื่อให้หมู่สงฆ์ได้ทราบว่าพระเทวท่านนี้ท่านเป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสแล้วพรมจันทร์อยู่จบแล้วอันนี้ก็เรียกว่าที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะนะความความอยากสบายแท้ๆความอยากสบายนี่หรือว่าขี้เกียจเนี่ยมันก็เป็นตัญหาชนิดหนึ่งนะ ที่กลัวความลำบากก็เลยทำให้บวชต่อพอบวชต่อก็เลยทำให้จิตใจค่อยๆซึมซับรับพระธรรมจนเกิดปัญญาขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่นะมาที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะความอ่เพราะแรงผลักของตัณหามีพระที่มีพระอรหันต์หลายท่านทีเดียวนะที่ ท่านไม่ได้ตั้งใจมาบวชเพราะว่าศรัทธาในพระธรรมนะแต่ว่าหวังสบายหวังลาบนะแต่ว่าได้ใสาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ใสายครูบาอาจารย์ที่ดีนะใจก็ค่อยน้อมนะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตันหาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกั น, นในการที่ทําให้เข้าถึงธรรมถ้าเรียกว่าตใช้ตันหาละตันหา ตันหานี่มันไม่ใช่กิเลสที่ต้องกำจัดอย่างเดียวถ้าใช้ให้เป็นมันก็สามารถจะช่วยให้ละตันหาได้มานะก็เช่นเดียวกันนะมานะมานะความถือตัวถือหน้าถือตาก็ทําให้ละกิเลสได้เหมือนกันอย่างพระนันทะเนี่ยท้าไม่ได้ตั้งใจมาบวชนะเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรเพียงแค่ถือบาตให้พระเจ้าพระเจ้ามางานมั่นของพระนันทะ ซึ่งเป็นพระยาดนะท่านมาฉันเสร็จก็ให้พนันท่านเนี่ยถือบาทตามไปที่สำนักเสร็จแล้วก็ชวนบวชเลยพนันท่านนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยบวชแต่ใจก็ยังนึกถึงนางชนบทกาลยา น, นีซึ่งเป็นคู่มั่นพระเจ้าก็เลยบรดาลให้เห็นนิมิตเทวดา ซึ่งสวยหยาดเยิม น, นะสวยกว่านางชนบทกัญยาณีมากนจนกระทั่งในในคำพิค ก, ก็เปลียวว่านนางชนบทนี่เปลียบไปแล้วก็ไม่ต่างจากลิงไปเลยนะเมื่อเทียบกับเทพธิดาเหล่านั้นพระนันธาอยู่ได้เทพธิดาก็ถามว่าทํายังไงพรุทธเจ้าก็เลยบอกว่าต้องมาบวชต้องมาทําสมาธิภาวนานนเดี๋ยวก็จะได้ ได้ครอบครองนางชนนางเาทพธิดาเหล่านั้นนะตันหาหรือราคาแท้ๆทนะี่ทำให้พระนัน้านเนี่ยนะเกิดแรงจูงใจที่จะทำความเพียร น, นะแต่ทำไปทำมานี่ก็ถูกเพื่อนพระล้อนะว่าถูกผพ้เจ้าจ้างมานะถูกผพ้เจ้าจ้างมาใหม า, าใหมา โดยมีนางโดยมีเทพิดามาเป็นรางวัลนะเป็นเครื่องล่อพระนันทาก็รู้สึกอายนะเราเป็นกษัตริย์นี่มีคติยะมานะเราเป็นเชื่อกษัตริย์มีคติยมานะก็อายอายก็เลยสิดว่าไม่ได้การแล้วนี่ฉันต้องฉันต้องตั้งใจซะล้วจะให้เขามาลอ้อฉันไม่ได้ก็เลยตั้งใจปฏิบัติจริงๆพนอะตั้งใจปฏิบัติเนี่ยนะ ก็ในสุดก็บรรลุ ธ, ธรรมนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอิทธิพลของทั้งตันหาและมารณะนะที่ทำให้ได้มีส่วนทำให้บรรลุ ธ, ธรรมอันที่แรกมาเพราะตันหาแต่ตอนหลังก็ตั้งใจปฏิบัติเพราะมาณะนะไม่ต้องการให้คนมาล้ะมาเอา่อมาดูถูกนะอันนี้ก็เห็นได้ว่ากิเลสเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยถึงบอกว่าไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นความโกรธความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้ให้เป็นเช่นใช้มาเป็นเครื่องฝึกจิตให้มีสติให้ฉลาดให้รู้ทันในอารมณ์เหล่านั้นให้การรู้ทันความคิดนี่มันสําหรับบางคนก็ถือว่ายากแล้วนะที่ยากกว่านั้นคือการรู้ทันอารมณ์ พออารมณ์เนี่ยมันไม่มันไม่มีภาพมันไม่มีถ้อยคําเหมือนความคิดเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดเป็นภาพเราคิดเป็นถ้อยคําแต่ว่าไปมันก็ยังหยาบอยู่นะเราก็รู้ทันได้ง่ายกว่าอารมณ์ซึ่งมันไม่มีเป็นภาพไม่มีเป็นถ้อยคําอะไรเลยแต่มันอาจจะเกิดภาวะที่หนักอึ้งหรือเหมือนกับภาวะที่อ่าแห้งแห้งหรือว่าเฉยเนือยแต่ว่าถ้าเรา มองว่าเออมันก็เป็นเครื่องฝึกสติเหมือนกันรวมทั้งเวทนาด้วยเวทนาที่เป็นความปวดความเมื่อยความคันนะมาฝึกว่าเราจะรู้ทันเวทนาได้ยังไงนะหรือว่าเราจะวางใจให้เป็นกลางได้ยังไงเมื่อถูกยุ่งกัดเมื่อมีความปวดความเมื่อยความคันของยี่ ม, มาฝึกฝึกได้นะหรือว่าใช้นะเป็นอ่าเป็นอารมณ์ในการพิจารณาหเห็นถึง ใจรักก็ได้อันนี้สําคัญมากอารมณ์ทุกอย่างทุกชนิดไม่ว่าบิกหรือลบนี่มันล้วนแต่สอนธรรมะอย่างเดียวกันคือสอนใจรักนะฉะนั้นถ้าเราเห็นความสําคัญของวิปัสสนาเนี่ยนะมันก็ยิ่งต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้ได้มันมีประโย์ทั้งนั้นนะเพราะนะั้นจึงอย่าไปผักใสนะอย่าไปผักไสมัน แม้กระทั่งความทุกข์ก็เคยพูดไปแล้วว่าความทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเกลียดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องผักใส่พุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างไงพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้ทุกข์ให้กําหนดรู้นะกำหนดรู้มันจะกำหนดได้ไงถ้าว่าเราผักใสเราลังเกยียจชิงชังมันนะหรือถ้าเราหนีมันตามตามความทุกข์รัว้วเป็นทุกข์นี่ก็ไม่ใช่วิธีการผักใส่ลังเกยียจต่อต้านมันก็ไม่ใช่วิธีการ ที่ผู้เจ้าสอนการกำหนดรู้หรือการรู้เฉยๆนี่แหละนะมันเป็นทางสายกลางที่ทําให้เห็นสมุทยัยแล้วก็พาไปสู่นิโรธมรรคไดนะ้ประตูประตูสู่ธรรมะนะก็คือความทุกข์นั่นแหละไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะถ้ารู้จักกำหนดรู้หรือรู้นะด้วยสตินะก็เหมือนกับว่า ประตูนี้ก็จะเปิดนะไปสู่สมุทรไทยนะไปสู่ความเข้าใจเรื่องนี้โลดมากได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุกข์นะมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ทุกข์เห็นทุกข์ได้หรือว่าถ้าผักสใสเกียร์ชังมันก็หรือหนีมันก็ไม่มีทางที่จะได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์อย่างแท้จริงเราต้องรู้จักใช้นะอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์นะแล้วอุปายก่อสนอุบาย นะครูบาอาจารย์นี่ท่านฉลาดนะนะท่านจะรู้จักใช้อารมณ์ต่างๆนะของลูกศิษย์ให้เป็นประโยชน์ให้ได้มีมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่ขาวนี่ยังมีชีวิตยอยู่นะก็มีแม่เนี่ยพาเด็ก 3-4 คขวบนี่แหละมาถวายจังหันเด็กเนี่ยเห็น เงานะเห็นงอที่ปอกเปลือกที่โยงเข้ามาถวายเต็มจานเลยเต็มบาทให้ม่เต็มฟ้าบาดเด็กเห็นก็อยากได้อยากกินนะความอยากของเด็กนี่ถึงกับว่าน้าลายหลายเลยนะหลวงพ่อก็เลยถามเด็กว่าอยากกินไหมเด็กก็บอกอยากกินนะพ่อมันขาวสวย หลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินนี่ก็ต้องนั่งสมาธิแรกนะแล้หลวงพ่อท่านก็สอนว่านั่งสมาธินั่งยังไงนะนั่งขัดสมาธิเอามือวางไว้บนตักทับกันแล้วคนนี้จะให้บริกรรมนะปกติครูบาตาอาจารย์ท่านก็ให้บริกรรมพุทโธนะแต่ว่าเด็กคนนี้ยังเด็กนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาเงาะเป็นเครื่องบริกรรมก็แล้วกันก็คือบริกรรมว่าหมากเงาะนะ ภาษาอีสานก็ใช้ว่าหมักเงาะเด็กก็บริกรรมนะหายใจเข้าหมากหายใจออกเงาะในใจก็แม้หลับตาก็เห็นภาพเงาะนะระหว่างที่ภาวนาไปก็น้ำลายก็ไหลไปด้วยนะแต่ปรกว่าทำไปสักพักนะจิตของเด็กก็นิ่งนะมีหมักเง้ะนี่เป็นอารมณ์นะจนกระทั่งจิตนนิ่ง มารู้สุกตัวทีตอนที่พระเนี่ยตีระคังตีกรองปอกติยว่านั่นเป็นเวลาที่พระรวมพลเพื่อที่จะทำกิจส่วนรวมซึ่งเป็นเวลาบ่ายสาแสดงว่าเด็กคนนั้นนั่งตั้งแต่กี่ชั่วโมงตั้งแต่เช้า8 0ดโมงยันถึงบ่ายสากี่ชั่วโมงเจดชั่วโมงนะด้วยสมาธิที่มีอารมณ์ก็คือเงาะเท่านั้นแหละ ความอยากนะความอยากของเด็กเนี่ยมันสามารถทำให้เด็กนี่เกิดสมาธิขณะที่เรียกว่าผู้ใหญ่ยังสู้ไม่ได้นะเป็นสมาธินี่6กเจ็ดชั่วโมงเดียวหลวงปู่ท่านก็นะก็ให้ให้ให้พระให้ญาติโยงต่างก็ออกไปเงียบๆนะไม่รบกวนเด็กให้เด็กก็นั่งอยู่บนศาลาคนเดียวท่านก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนด้วยอันเนี้ยความอยากนะ มันก็สามารถที่จะน้อมใจให้เกิดเป็นสมาธิได้คล้ายๆกับเรื่องกับของหลวงปู่หลวงพ่อพุธมีพระบวชใหม่มาท่านก็ให้ภาวนาแต่พระบวชใหม่ภาวนาไม่ได้เลยพุทธโธพุทธโธหลวงพ่อพุธก็ถามว่าทำไมถึงภาวนาไม่ได้ท่านก็ตอบว่าพ่อวันนึกถึงแฟนเวลาภาวนาพุทธโธนี่ก็ ถึงแฟนอยู่ตลอดเวลาจิตไม่มีสมาธิเลยนะหลวงพ่อก็เลยถามว่าแฟนนี่ชื่ออะไรนะอาส ม, มชื่อแก้วตาแล้วกันนะหลวงพ่อแล้วก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละเอาชื่อนี่แหละมาเป็นเครื่องบริกรรมซะเลยหายใจก็แก้วหายใจเข้าก็แก้วหายใจออกก็ตาพุโทโธวางไว้เลยนะไม่ต้องพุโทโธแล้วเอาแก้วตานี่แหละบอกว่าได้ผลนะ จิตสงบเลยนี่ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านฉลาดในการใช้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะของลูกศิษย์เนี่ยคือท่านไม่ท่านไม่ไม่เถ็นตรงนะไม่เถ็นตรงว่านี่ต้องพูดโทอย่างเดียวนะไม่พูดโทไม่ได้นะนะท่านไม่ไม่ตายตัวนะเพราะว่าท่านฉลาดเพราะรู้ว่าอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าใช้เป็นนี่มันก็มันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจนี่ก็จะบอกโอ้ยไม่ได้นะนะจะนึกถึงหมังเงาะได้ยังไงจะนึกถึงชื่อแฟนได้ยังไงอันนี้ก็เรียกว่าไม่ไม่ฉลาดในเรื่องในเรื่องธรรมะในเรื่องของจิตนะคือไม่มีอุปยโกศนจริงๆของเถโลวานีท่านเขามีความพลิกแพลงต่างๆมากมายนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถจะบพลิกแพลงให้เป็นประโยชน์ได้ ให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมเพื่อน้อมใจให้เกิดกุศลธรรมขึ้นแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องรู้จักนะรู้จักชวยใช้นะนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในะปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ไอ้ที่เป็นอดีตก็ช่างมันไอ้ที่เป็นปัจจุบันนี่แหละใชใ้เป็นประโยชน์ทุกอย่างที่จริงอารมณ์ที่เป็นอดีตเนี่ยถ้าหากว่าเราลึกถึงในลักษณะที่เป็นการใคร่ครวญดีนะแต่ถ้า นึกถึงที่เป็นลักษณะการคล่ำครวญเนี่ยไม่ดีถ้าเราใ ค, คล่ำครวญมันก็เกิดประโยชน์เกิดเบทเรียนนะอย่างพระเจ้าก็ ค, ค, คล่ำคล่ำครวญประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านก็รู้ว่าอ๋อชีวิตในวังนะมันก็เป็นทางสุดโตกอันหนึ่งเรยกว่าการสุขาริการนยิยโญชีวิตในขณะที่ปฏิบัติธรรมทรมานตนอันนี้มันก็เป็นอัตตากิลมิทาวนิยโญ ท่านก็ใครควรแล้วพบว่ามันเป็นทางสุดตรงทั้งสองทางไม่ใช่ทางสายกลางถ้าท่านไม่เคยล้มเหลวไม่เคยพลาดมาก่อนท่านอาจจะไม่อาจจะค้นพบทางสายกลางได้ยากหรือช้ากว่า น, นี้ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาบทเรียนในอดีตนี่มาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่มีประโยชน์มากคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันนี่เราต้องรู้จักชว์โอกาสหลวงพ่อกำเขียนท่านจะเน้นอยู่เสมอเรื่องโชวยโอกาส มีเวลาว่างเมื่อใดก็เจริญสติอยู่ในอเรียบทใดทำอะไรก็เจริญสตินะอะไรเกิดขึ้นกับใจก็เอามาฝึกให้จิตรู้ทันนะให้เกิดความเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ให้ได้นะหลงมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนคนเรานี่จะฉลาดก็ต้องโง่ก่อนจะรู้ก็ต้องหลงก่อนนะไม่ใช่ว่าจะรู้ก่อนหลงไม่ใช่ว่าจะฉลาดก่อนโง่ ไม่ได้มันต้องโง่ก่อนฉลาดมันต้องหลงก่อนรู้อันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราต้องต้องรู้จกักฉลาดในการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบอแล้วคำนี้ก็พูดกันท่านนี้